แม้ครั้งที่สองเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสีมะเทพบุตรมาตรัสว่าละถึงแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสีมะเทพปรตรุมาตรัสว่าสุสีมะ พวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สามสุสบมะเทพประบุตรรับพระบัญชาของท้าวสกกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียลำดับนั้นท้าวสกกะจอมเทพได้ตรัสกับสุสิมเทพประบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลไม่ขยันไม่พยายามแต่ประสบความสุขได้ณที่ใด สุสีมะท่านจงไปณนะที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุสีมะเทพประบุกราบทูลว่าบุคคลผู้เกียรครานไม่ขยันทั้งยังไม่ใช้ใครใครให้ช่วยทากิจทั้งหลายอีกด้วยเขาพรั่งพร้อมด้วยกามทุกอย่างข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสว่า บุคคลผู้เขียนคร้านไม่ขยันประสบความสุขที่สุดได้ณที่ใดสุสีมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุสีมะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่เท้าศักกะผู้ประเสริฐกว่าเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงได้ความสุขใดโดยไม่ต้องทําการงานเลยข้าแต่เท้าศักกะขอพระองค์จงตรัสบอกความสุขอันประเสริฐนั้น ที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความค้อแค้นใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสว่าถ้าความสุขจะมีได้โดยไม่ต้องทำการงานไม่ว่าในที่ไหนไหนใครๆก็ดำรงชีพยอยู่ไม่ได้เพราะนั่นเป็นทางแห่งนิพพานสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายก็เท้าสักกะจอมเทพนั้น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 นี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้สุสิมะสูตรที่สองจบสามถ้าชักขสูตรว่าด้วยเรื่องยอดทงเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 สงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงว่าท่านผู้นิรุกข์ทั้งหลายถ้าความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล่าวจะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทพผูพ้ไปในสงครามสมัยนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเราเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ ความกลัวความหวาดสดุงหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดทงของเราทีนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดทงของเท้าประชามดีเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดทงของเท้าประชามดีเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสสดุง หรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดทงของเท้าประชาบดีเทวราชทีนั้นพวกท่านก็พึงแลดูยอดทงของท้าวิรุณะเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดทงของท้าวรุณะเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสะดุงหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้น ก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเทาวรุณเทวราชทีนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเทาอีสานะเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเทาอีสานะเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสืดุง้งหรือความขนพองเสียองกล้าที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไป เมื่อพวกเทพแลดูยอดธงของเท้าศักกะจอมเทพก็ดีแลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของเท้าวรุณะเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของเท้าอิสานะเทวราชก็ดีความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นพึงหายไปบ้างไม่หายไปบ้างข้อน้นเพราะเหตุไรเพราะว่า เท้าสกกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะเป็นผู้มีความกลัวมีความหวาดเสดุงหนีไปอยู่ภิกษุทั้งหลายส่วนเรากล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าความกลัวความหวาดสสดุงหรือความขนพองสยองกล่าวพึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่าอยู่ที่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่าง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 เพราะว่าเมื่อพวกเธอเระลึกถึงเราเนืองๆ อ, อยู่ความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองเสยองเกล้าที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงเราเนืองๆทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงพระธรรมเนืองๆว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่หนึ่งเนืองความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมหนึ่งเนืองทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์หนึ่งเนืองว่า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 เมื่อพวกเธอเราลึกถึงพระสงค์อยู่เนืองๆความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นผู้ไม่มีความกลัวไม่หวาดเสียวไม่สะดุง้งไม่หนีไป พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณาพาสิณนี้แล้วจึงได้ตรัสคะถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่า ก, ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้องค์อาจกว่านรชนทีนั้นเธอทั้งหลายเพึงระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนาออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลาย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 เวปจิติสูตรว่าด้วยเท้าวเวาปจิติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคจึงเลือตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้น ท้าเวปจิตติจอมอสูนรับสั่งกับพวกอสูนว่าท่านผู้นี้รทุกทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูนประชิกกันพวกอสูนพึงชนะพวกเทพพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำเท้าส ก, กะจอมเทพด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วพึงนำมายังเมืองอสูนในสำนักของเรา ฝ่ายเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นเดวดึงทั้งหลายว่าท่านผู้นิรทุกทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกเทพพึงชนะพวกอสูรพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำเท้าเวปจิติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจําทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วพึงนํามายังสภาชื่อสุธรรมมาในสํานักของเรา สมครามครั้งนั้นพวกเทพชนะพวกอสูรพ่ายแพ้ต่อมาเทพชั้นดาวดึงได้จองจํำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจําทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนํามายังสภาชื่อสุธรรมมาในสํานักของท้าวส ก, กะจอมเทพได้ยินว่าท้าวเวปจิตติจอมอสูรถูกจองจําด้วยเครื่องจองจําทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอ ได้ดาบริพาท้าวสักกะจอมเทพซึ่งกําลังเสด็จเข้าและออกอยังสภาชื่อสุธรรมมาด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตว์บุรุษภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมาตลีเทพประบุผู้สงเคราะห์ได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคถาว่าข้าแต่ท้าวสักกะมะขวานพระองค์ได้ทรงสดับถ้อยคําอันหยาบคาย ต่อหน้าของเท้าวเวปจิติจอมอสูรยังทรงอดทนได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังพระเจ้าค่าเท้าสักกะตรัสตอบว่าเราอดทนถ้อยคำอันหยาบคายของเท้าวเวปจิติได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังก็หาไม่ด้วยว่าวินยูชนเช่นเราจะพึงโตอตอบกับคนพานทาไมมาตาลีเทพประบุกราบทูลว่า พวกคนพาลพึงทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่กีดกันไว้สิยงก่อนเพราะฉะนั้นทีรชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรงท้าวสักกะตรัสว่าผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการกีดกันพวกคนพาลไว้ได้ มาตรลีเทพบระบุรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวาสะวะข้าพระองค์เห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่า mm. เมื่อใดคนพานย่อมเข้าใจบุคคลนั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อ น, นั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่งข่มขีผู้นั้นเหมือนโคตัวที่มีกําลังข่มขีโคตัวที่แพ้ให้หนีไปฉะนั้นเทา้าสกะตรัสว่า บุคคลจะเข้าใจว่าคนนี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีบุคคลใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคลนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลผู้อ่อนแรงจำต้องอดทนอยู่แล้ว กำลังของบุคคลใดไม่เข้มแข็งบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวถึงกําลังของบุคคลนั้นว่าไม่ใช่กําลังเพราะว่าไม่มีบุคคลใดกล่าวโต้อตอบบุคคลผู้มีกําลังและมีธรรมคุ้มครองแล้วผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก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 อาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่สวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพนานาคุณของขันติและโสระจะไว้ก็ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วเป็นผู้อดทนและสงบสงเสงียมได้นี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้เวปจิติสูตรที่สี่จบ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 เคครุงสาวตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพเราจงมาชนะกันด้วยการกล่าวคาสุภาษิตเถิดท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่า ท่านเท้าเวาปจิตติตกลงตามนั้นพวกเรามาเอาชนะกันด้วยการกล่าวคําสุภาษิตครั้งนั้นพวกเทพและพวกอสูรได้ร่วมกันตั้งผู้ตัดสินโดยมีกติกาว่าผู้ตัดสินเหล่านี้จะต้องรู้ทั่วถึงคําสุภาษิตและคําทุพภาษิตลําดับนั้นเท้าเวาปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพ ท่านจงตรัสคาถาขึ้นก่อนเมื่อเท้าเวาปจิติกล่าวเช่นนี้เท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสกับทวเท้าเวปจิติจอมอสูนว่าท่านทาวเท้าเวปจิติท่านเป็นเทพในเทวโลกนี้มาก่อนฉะนั้นขอให้ท่านจงกล่าวคถาก่อนเมื่อเท้าสักกะตรัสเช่นนี้แล้ ว, ทวเท้าเวปจิติจอมอสูนเลือกกล่าวคถานี้ว่าพวกคนพานพึงทําได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราไม่กีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นทีรชนพึงกีดกันพวกคนผ่านไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรงเมื่อเท้าเวาปจิติจอมอสูนเรืเ่อกล่าวคถานี้แล้วพวกอสูนพากันอนุโมทนาพวกเทพต่างก็พากันนิ่งเฉยลำดับนั้นเท้าเวาปจิติจอมอสูนเรืเ่องกล่าวกับเท้าสั ก, กะจอมเทพว่าท่านจอมเทพ ท่านจงกล่าวคถาเถิดเมื่อเท้าเวปจิติกล่าวเช่นนี้แล้วเท้าสักกะจอมเทพได้กล่าวคถานี้ว่าผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการกีดกันพวกคนพาลไว้ได้เมื่อเท้าสักกะจอมเทพได้กล่าวคถานี้แล้วพวกเทพก็พากันอนุโมทนา อสูนก็พากันนิ่งเฉยลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพได้ตรัส ก, กับเท้าเวปจิตติจอมอสูนดังนี้ว่าเท้าเวปจิตติท่านจงกล่าวคถาต่อไปเถิดเมื่อเท้าสักกะตรัสเช่นนี้เท้าเวปจิตติจอมอสูนเรื่องกล่าวคถานี้ว่าท่านเท้าวาสวะเขาพเจ้าเห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่า เมื่อใดคนพานเข้าใจบุคคลนั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่ยงข่มขีผู้นั้นเหมือนโคตัวที่มีกำลังข่มขีโคตัวที่แพ้ให้หนีไปฉะนั้นท้าเวปจิตติจอมอสูรกล่าวคาถานี้แล้วพวกอสูรพากันอนุโมทนาพวกเทพต่างก็นิ่งเฉยลำดับนั้น ท้าเวปจิติจอมอสูนได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพท่านจงกล่าวคาถาต่อไปเถิดเมื่อเท้าเวปจิติจอมอสูนกล่าวเช่นนี้เท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลจะเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่ง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 ครั้งนั้นผู้ตัดสินทั้งของพวกเทพและพวกอสูรได้กล่าวดังนี้ว่าเท้าเวปจิติจอมอสูรตรัสคาถาทั้งหลายแล้วแต่คาถาเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องด้วยอาชญามีความเกี่ยวข้องกับศาสตราเพราะเหตุนั้นจึงยังมีความทะเลาะความแข่งแย่งความวิวาทส่วนเท้าสักกะจอมเทพตรัสคาถาทั้งหลายแล้ว คาถาเหล่านั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาชียาไม่เกี่ยวข้องกับศาสราเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีความทะเลาะไม่มีความแก่งแย่งไม่มีความวิวาทเท้าส ก, กจอมเทพชนะเพราะได้กล่าวคำสุภาษิตชัยชนะด้วยการกล่าวคำสุภาษิตได้เป็นของเท้าส ก, กะจอมเทพด้วยประการนียสุภาษิตะชยะสูตรที่ห้จบ กูราวะกะสูตรว่าด้วยรังนกเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันสงครามครั้งนั้นพวกอสูรเป็นฝ่ายชนะพวกเทพเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกเทพผู้พ่ายแพ้ต่างพากันหนีไปทางทิศเหนือพวกอสูรได้ชวนกันไล่ติดตามพวกเทพเหล่านั้นไปทันที ครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับมาตลีสังคหกะเทพบุตรด้วยคาถาว่ามาตลีเธอจงหลีกเลี่ยงรังนกในป่างยิ้วโดยบ่ายหน้ารถกลับถึงเราจะต้องสละชีวิตให้พวกอสูรก็ตามทีขออย่าให้นกเหล่านี้พลัดพรากจากรังเลยภิกษุทั้งหลายมาตลีสังคหาหกะเทพบุตรรับพระดารัสของท้าวสักกะจอมเทพว่า ขอความเจริญจงมีแด่พระองค์แล้วให้รถซึ่งเทียมด้วยมาอาชาในพันตัวหันกลับครั้งนั้นพวกอสูรคิดว่าบัดนี้รถซึ่งเทียมด้วยมาอาชาในพันตัวของท้าวสักกะจอมเทพหันกลับมาแล้วพวกเทพคงจะทาสงครามกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองอีกแน่พวกอสูรต่างตกใจนี้กลับเข้าไปยังเมืองอสูรชัยชนะครั้งนี้ เป็นชัยชนะเพราะรมอย่างแท้จริงของเท้าสักกะจอมเทพด้วยประการชนิกลาวกกะสูตรที่6จบเจ็ดนาทุพยพิยสูตรว่าด้วยการไม่ประทุษร้าย เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราไม่ควรประทุษร้ายแม้แก่ผู้ที่เป็นข้าศึกต่อเราครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้ทราบความรำพึงของท้าวสักกะจอมเทพด้วยใจของตนแล้ว เข้าไปหาเท้าส ก, กะจอมเทพจนถึงที่ประทับเท้าส ก, กะจอมเทพได้ทอดพระเนตรเห็นเท้าเวปจิตติจอมอสูนมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้ตรัสกับเท้าเวปจิตติจอมอสูนดังนี้ว่าหยุดเถิดท่านเท้าเวปจิตติท่านถูกจับแล้วเท้าเวปจิตติถามว่าท่านผู้นีรทุกท่านละทิ้งความคิดครั้งก่อนของท่านแล้วหรือเท้าส ก, กะตรัสว่า ท่านเท้าเวาปจิตติขอให้ท่านจงสาบานเพื่อที่จะไม่ประทุษร้ายต่อเราเท้าเวาปจิตติกล่าวคถาว่าท่านเท้าสุชัมปดีบาของคนพูดเทจบาของคนผู้ติเตียนพระอริยะบาปของคนผู้ประทุษร้ายต่อมิตรและบาปของคนอัตตันยูจงถูกต้องผู้ประทุษร้ายท่านเถิดณทุพิยะสูตรที่เจ็ด 8. เวโรจนะอสุรินทสูตรว่าด้วยเท้าเวโรจนะจอมอสูรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถวินิกเกษธี เคครุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพกับเท้าวเวโรจนะจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นเท้าวเวโรจนะจอมอสูนเด็กกล่าวคาถานี้ในสานักของพระผู้มีพระภาคว่า บูรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์อันงด ง, งามอยู่ที่ความสำเร็จนี่เป็นถ้อยคำของเวโรจนะท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าบูรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์ทั้งหลายอันงด ง, งามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีท้าวเวโรจนะจอมอสูรกล่าวว่า สภัสัตว์มีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสภัสัตว์มีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี้เป็นถ้อยคำของเวโรจนะท้าวสักกะจอมเทพตรัส ว, สว่าสรรสสัตว์มีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสรรสสัตว์มีการปรุงแต่งเป็นอย่างดี ประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีเวโรจนะอสุรินทสูตรที่8จบ 9. อารัญญกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในป่า เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีผู้มีศีลมีเคลยานธรรมจํานวนมากอาศัยอยู่ในคูดีที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพกับเท้าวเวปจิติจอมอสูนเข้าไปหาฤาษีผู้มีศีลมีเครลยานธรรมเหล่านั้นถึงที่อยู่ครั้งนั้นเท้าวเวปจิติจอมอสูน ทรงฉลองพระบาทหนาหลายชั้นทรงพระขันมีผู้กั้นฉัดให้เข้าไปสู่อาสมทางประตูพิเศษเข้าไปใกล้เรือสีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นห่างไม่ถึงวาส่วนเท้าสักกะจอมเทพทรงถอดฉลองพระบาทประทานพระขันให้แก่ผู้อื่นรับสั่งให้ลดฉัดเสด็จเข้าไปทางอาสมโดยทางประตูเข้าออก ประคองอัญเชลีนอบน้อมฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นแล้วอยู่ใต้ลมครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่ากลิ่นของฤาษีผู้ประพฤติพรสมานานย่อมฟุ้งจากกายไปตามลมเท้าสหเสนยพระองค์จงถอยไปจากที่นี้เท้าเทวราช กลิ่นของพวกเรือสีไม่สะอาดท้าวสักกะตรัสตอบว่ากลิ่นของพวกเรือสีผู้ประพฤติพรตมานานย่อมฟุ้งจากกายไปตามลมท่านเจ้าค่าพวกข้าพเจ้าต่างก็มุ่งหวังกลิ่นนี้เหมือนคนมุ่งหวังระเบียบดอกไม้อันวิจิตบนศีรษะฉะนั้นพวกเทพหามีความสำคัญในกลิ่นของผู้มีสีนี้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ อรัญญกะสูตรที่9จบ 10. สมุททกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งสมุทรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิญิะเศรษฐี เครุงสาวถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรสีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่ในคูดีที่มงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรสมัยนั้นสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นเรศีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้น ได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเทพดารงอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ดำรงอยู่ในธรรมภัยจากพวกอสูรพึงเกิดแก่พวกเราทางที่ดีพวกเราพึงเข้าไปหาเท้าสมพรจอมอเทพแล้วขออาภัยท่านเถิดครั้งนั้นเรอสีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้หายตัวจากบุดีที่มุงด้วยใบยไม้ใกล้ฝั่งสมุทร ไปปรากฏอยู่ตรงหน้าเท้าสมพรจอมอสูรเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้กล่าวกับเท้าสมพรจอมอสูนด้าาวยคาถาว่าผู้อกฤาษีมาขออภัยกับท่านเท้าสมพรการให้ไัยหรือให้อภัยท่านกระทำได้โดยแท้ เท้าสมพรจอมอสูนได้ยกล่าวว่าไม่มีการให้อภัยแก่พวกฤาษีผู้ชั่วช้าผู้คบหาเท้าสักกะเราให้ภัยเท่านั้นแก่พวกท่านผู้ขออภัยผูรฤาษีกล่าวว่าท่านให้ภัยเท่านั้นแก่พวกเราผู้ขออภัยพวกเราขอรับเอาแต่อภัยอย่างเดียวส่วนภัยจงเป็นของท่านเถิด บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วพ่อท่านหว่านพืชลงไปแล้วท่านจากต้องเสวยผลของมันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้สาบแช่งเท้าสมพรจอมอสูนแล้วหายตัวไปต่อหน้าเท้าสมพรจอมอสูน ไปปรากฏอยู่นาุูดีที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าเะนั้นครั้งนั้นเท้าสมพรจอมอสูนถูกฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมสาบแช่งแล้วได้ยินว่าในคืนนั้นตกใจหวาดหวั่นถึงสามครั้งสมุททะกะสูตรที่10จบวักที่หนึ่งจบ พระสูตรที่มีในวรรนี้คือ 1. สุวีระสูตร 2. สุสิมะสูตร 3. ทชชกสูตร 4. เวปจิติสูตร 5. สุภาษิตะชยะสูตร 6. กุลาวกะสูตร 7. นทุพิยะสูตร 8. เวโรชนะอสุรินทะสูตร 9. าอรัญญกะสูตร ส0สมุทธะสูตร 2. ทุติยะวัคหมวดที่สองหนึ่งปฐมมเทวะสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวัน อารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขกรุงสาวถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้สมาทานวัตตบทเจประการอย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตตบทเจประการจึงได้เป็นเท้าสักกะวัตตบทเจประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 ได้สมาทานวัตบทเจประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบทเจประการนี้จึงได้เป็นเท้าสักกะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาได้ตรัสเวยากรนะภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงกล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล เจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรและคำสอเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตรหนีมีวาจาสัตว์ครอบงมความโกรธได้นั้นแลว่าเป็นสัตบุรุษพระธมะเทวสูตรที่หนึ่งจบ